Thank you. สักสามสปีก่อนที่คณะสอนศาสตร์จุรามีอาจารย์ญี่ปุ่นนะท่านหนึ่งอาจารย์โยนิโออิชิอิท่านสอนวิชาประวัติศาสตร์ประวติศารนี่ไม่ใช่ประศาญี่ปุ่นนะประวศาสตรไทยเรื่องประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียคเนทสอนประวัติศาสตร์นะโดยการพูดภาษาไทยว่าผููได้คล่อง ไม่ต้องพูดถึงการอ่านและการเขียนแล้วจริงๆแล้วท่านก็เรียนรู้หลายภาษานะภาษาอังกฤษฝรัร่งเศสนะอาจจะรวมภาษาอิตาเลียนด้วยภาษาเก่าๆนะ่าษา ส, สกฤตบาลีเถวนนาครีแล้วดูเหมือนจะลาตินเนี่ยนะท่านก็รู้เหมือนกันทั้งที่ท่านเรียนไม่จบปริญญาตรีนะ แล้วก็ไม่ได้เรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยจากหมาหาวิทยาลัยไหนเลยเรียนด้วยตัวเองคนก็ว่าท่านเป็นอัจริยะท่านบอกเปล่าเลยนะมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเพียรล้วนๆท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าการเรียนภาษาต่างประเทศโดยเพพาะการท่องศัพท์เนี่ยมันเหมือนกับการตักน้ำ ให้เต็มแก้วด้วยกระชอนนะเรานึกภาพออกมากระชอนที่เขาใช้ตักลุงน้ํานะที่มันเป็นผ้าบางๆเนี่ยเวลาจะใช้กระชอนเนี่ยตักน้นํานี่น้ํามันก็จะรั่วมหมดนะจะเหลือน้ําที่ค้างอยู่ในกระชอนเขาแค่หยดสองหยดถ้ากว่าจะเติมน้ําให้เต็มแก้วเนี่ยนะมันจะใช้เวลานา น, นเท่าไหร่เขาบอกว่าเนี่ยภาษาต่างประเทศเนี่ย สัพสัหนึ่งเนี่ยสับคำหนึ่งเนี่ยนะต้องเปิดพจนานุกรมเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกเพราะว่าใหม่ๆก็จำไม่ค่อยได้นะการเปิดบ่อยๆก็ทำให้จำศัพ์นั้นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรล้วนๆนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เปเพราะว่าเป็นอัจฉริยะหรือว่าความจำดี ความจำดีอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ผีความเพียรพยายามก็ไม่ได้การที่คนเราจะจำศัพท์ภาษาต่างประเทศได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยความระลึกได้นะซึ่งก็คือหน้าที่ของสตินั่นเอง เ, เวลาเราอ่านหรือได้ยินศัพท์ต่างประเทศเนี่ยแล้วเราแปลเป็นไทยได้เลยเนี่ยนั้นเป็นเพราะว่า เรามีความจําดีเรามีความสามารถในการระลึกได้ไวนั่นคือมีสตินั่นเองนะอย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่าสตินี่หมายถึงความระลึกได้และความระลึกได้เนี่ยโดยเพราะในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ยากที่ใหม่เนี่ยเช่นภาษาต่างประเทศเนี่ยเราจะระลึกได้ไวเนี่ยก็ต้องทําซ้ําๆทําซ้ําๆทํำบ่อยๆ เช่นเปิดพรนะเจ้านุกรลมบ่อยๆหรื อ, อนึกถึงคํานั้นบ่อยๆมันก็ทําเดียก็ทํานองเดียวกับสุดคูหรืออาขยานเนี้ยเราต้องนึกบ่อยๆนึกบ่อยๆท่องบ่อยๆ ท, ท่องในใจบ่อยๆแม่อันนี้รวมถึงบทสวดมนต์ด้วยนะเราจะสวดมนต์ท่องขึ้นใจได้แล้วก็ต้องอทบทวนซ้ําๆนึกซ้ําๆกันบ่อยๆถึงจะระลึกได้ไว การจราสติก็เหมือนกันนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสติที่เรามาฝึกกันที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่สติที่เราเคยมีหรือได้ใช้ในชีวิตประจำวันอันนั้นเป็นความระลึกได้ในสิ่งนอกตัวจำศัพท์ต่างประเทศได้จำอาคยานจำบทกวีหรือว่าจำได้ว่าบ้านเราอยู่ ถ น, นนไหนซอยไหนนะีกุฏิเราเบอร์อะไรเนี่ยอันนั้นมันเป็นสติเกี่ยวกับสิ่งนอกตัวนะความระลึกได้เรื่องนอกตัวแต่ว่าสิ่งที่คนรเรามีกันน้อยคือความระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจนะแต่ว่าการที่เราจะสร้างความระลึกได้เกี่ยวกับ จะกายใจหรือว่าเรารู้เรื่องกายใจเนี่ยมันก็ไม่ตายจากการนะฝึกให้มีความรึกได้ในเรื่องในเรื่องนอกตัวคือต้องทําซ้ําๆนะการเจริญสติที่เราทําเนี่ยนะก็คือการพยายามฝึกให้มีความรึกได้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็ต้องตระหนักว่ามันใช้เวลานะ ไม่ต่างจากการตักน้ําด้วยกระชอนให้เต็มแก้วมันคล้ายกันเลยนะการเรียนภาษาต่างประเทศนะต้องทําซ้ําๆอย่างไรและมันค่อยๆจําได้ทีลนิเทเละหน่อยหรือว่าระลึกได้ทเลนิเทีลนลหน่อยเหมือนกับเติมน้ําด้วยกระชอนให้เต็มแก้วชั้นใดเนี่ยไอการที่เราจะมีสติระลึกนะรู้ไกาใจเนี่ย มันก็ใช้เวลาแล้วก็ต้องอาศัยการทําซ้ํำๆเช่นเดียวกันเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็อย่าทอนนะเพราะว่าการที่เราเริ่ดรูได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้กําลังยกมือสร้างจังหวะตอนนี้กําลังนั่งฟังคํญญาร บ, าบรรยายเนี่ยรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้สติเรานะีมีความ ค, คล่องแคล่วเรลึกรู้ได้ไว เวลาใจมันลอยไปไหนนะและเราระลึกได้สิ่งที่เราลึกได้ทำให้เระลึกได้คือสติสติมจะดึงให้ใจกลับมาอยู่ปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับการกระทําไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะเ ด, ดินจงกรมหรือว่าอาบน้ําถูฟันล้างหน้าให้ตระหนักว่าแน้ว่าใจมันจะฟุ้งแค่ไหนนะใจมันจะหลงอย่างไรเนี่ย อันนั้นอย่าไม่สำคัญนะอย่าไปกังวลกับมันเพราะเป็นธรรมดาสิ่งสาคัญอยู่ที่ว่าระลึกรู้ให้ไหวพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันหลวงพ่อองคเขมเขียนบอกว่าเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยจะเก่งหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเระลึกรู้ได้ไหวหรือพาใจกลับมาได้ไหวหรือเปล่านะความเก่งมันไม่ได้อยู่ที่ว่านั่งนานแค่ไหน หรือว่าเดินนานแค่ไหนนะแล้วก็ จ, จะเพิ่มเติมต่อว่าความเก่งเมื่อใดที่ว่าใจไม่คิดหรือเปล่านะบางคนไปคิดว่าเนียวถ้าจะใจไม่คิดเนี่ยนะดีไม่ต้องทำหาทางทำให้ใจไม่คิดและวิธีทำให้ใจไม่คิดเนี่ยคือไปจ้องไปเพ่งจิตไม่ให้มันคิดถ้ามันคิดก็ไปกดมันไว้ไปเบรคมันเอาไว้หรือไม่ก็ไปบังคับจิตให้ไปเพ่งที่เท้าที่มือนะ อันนี้คือสิ่งที่หลายคนทำเพราะมีความเข้าใจว่าความก้าวหน้านในการปฏิบัติเนี่ยมันวัดกันที่ว่าจิตเนี่ยคิดน้อยลงไปเรื่อยๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะความเก่งไม่อยู่ที่ว่าจิตมันไม่คิดหรือว่ามันสงบหรือเปล่านะหลวงพว่อเขียว่าความเก่งอยู่ที่ว่าเรารับรู้ได้ไวไหม พาใจกลับมารู้นะกลับมาอยู่นะกับความรู้สึกตัวหรือเปล่าเรื่อใจมันจะล อ, อยมันจะฟุ้งยังไงอย่าไปอย่าไปวิตกกังวลนะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่ากลับมาให้ไวกลับมาให้เร็วการที่เรากลับมาให้ไวกลับมาให้เร็วนะมันก็เป็นการสร้างสติให้โตมากขึ้นเรื่อยๆให้ไวขึ้นไวขึ้นแล้วเราก็จะรู้ตัวได้ไวการลืมตัวก็จะน้อยลง ลืมเนี่ยมันมีสองอย่างนะลืมข้าวลืมของลืมกุญแจลืมโทรศัพท์นะลืมีอย่างหนึ่งคือลืมตัวคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปมนโมพาวงนะหรือว่าไปอไปห่วงกับว่าเอ้ยเราเนีจะลืมโนู่นลืมนี่หรือเปล่าแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยตระหนักก็คือว่าไอการลืมตัวนั่นแหละ ลืมตัวนี่มันก่อความเสียหายมากกอนลืมข้าวลืมของนะเพราะถ้าลืมตัวแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดความเสียหายถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุรถชนตกบันไดหรือว่าเกิดเพลิงไหม้นะ น, นี่เป็นข้อความลืมตัวลืมข้าวลืมของเนี่ย มันมักจะเกิดเพราะว่าเราวางของไม่เป็นที่ใช่ไหมเราวางกุญแจรถวางกระเป๋าเงินไม่เป็นที่นะแต่ลืมตัวเนี่ยนะมันตรงข้ามนะมันเป็นเพราะใจเนะี่ยไปยึดตะพึดตะพื้นเลยใจมันไปยึดตะพึดตะพือนนะยึดอะไรนะไปยึดความคิดนะไปยึด สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเหตุการณ์ในอดีตผ่านไปแล้วก็พยายามไปคิดถึงมันเวลาเราใจลอยเนี่ยอันนั้นคือว่าเรากําลังลืมตัวและที่เราใจลอยเพราะอะไรเพราะใจเรากาลังไปยึดติดกับอะไรบางอย่างจนทั่งจมเข้าไปในความคิดหลงไปในอดีตนะหรือว่าลอยไปนานอนาคตนั่นคือการยึดอที่นอนไม่หลับเพราะอะไรนอนไม่หลับก็เพราะว่าใจมันเนี่ยมัน มันวางความคิดไม่ได้ให้มันตรงข้ามนะลืมของเพราะว่าวางของไม่เป็นที่นะวางไปแล้วนึกไม่ออกว่า เ, เราวางตรงไหนนะนะกุญแจกระเป๋าเงินหรือบางทีก็เป็นสร้อยแต่ลืมตัวเนี่ยเพราะว่าไปจิตมันไปยึดเอาไว้แล้วพอยึดไปแล้วนะมันก็จะเกิดอารมณ์ตามมาเช่เนไปยึดความคิด เตุการณในอดีตความสูญเสียพัดพรากการถูกต่อว่าด่าทอพอคิดแล้วเป็นไงมันก็เกิดความโกรธเกิดความเสียดายเกิดความอลาลัยอาวรณ์เกิดอารมณ์ตามมาอารมณ์ก็ขังใจเราไว้แต่ที่จริงผู้ยาคือจิตมันไปยึดเอาไว้พอจิตมันไปยึดกับอารมณ์นั้นหรือความคิดเนี่ยเราก็ตอนนั้นแหละเราลืมตัวแล้ว ยกมือก็ไม่รู้ว่ายกนะเดินลงบันไดก็ไม่รู้ว่าเดินลงบันไดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเดินพลาดก้าวเท้าพลาดก็ได้บางทีเสียบไอตอนที่ลืมตัวเนี่ยใจลอยเนี่ยก็อาจจะเสียบเป็นช่วงเดียวกับที่กำลังเสียบปลักนะหม้อหุงข้าวโดยที่ไม่เฉลีใจว่าไอ้มือของเรามันเปียกปลักมันก็เปียก ไอ้ความลืมตัวใจลอยไงพอเสียบปักเขาไปเป็นไงโดนไฟช็อตเนี่ยายถึงตายได้ไอ้ลืมตัวนี่เพราะยึดนะลืมของเพราะวางไม่เป็นที่ลืมตัวเพราะยึดตะพึดตะพือแต่ถ้าเกอเรามีสติเมื่อไหร่มันจะวางเพราะรู้ว่ายึดไปมีแต่ทำให้ทุกข์แล้วเรายิ่งยึดในอารมณ์ใดก็ตามเนี่ยนะ เราก็ค่อยๆค่อยๆถล่มค่อยๆจมไปในอารมณ์นั้นจนกระทั่งกลายเป็นท่าของมันก็ว่าได้เราจะหวงแหนอารมณ์นั้นเวลาเราเศร้าเนี่ยเราจะหวงแหนความเศร้ามากเลยพยายามปกป้องรักษาความเศร้าเอาไว้เอาแต่นั่งซึมเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวไม่ยอมไป จะขอนั่งซึมนั่งเจ้าจุกเพราะอะไรนะมันเหมือนกับว่าหวงแหนความเศร้าพยายามปกปักรักษาวความเศร้าเวลาจะฟังเพลงก็จะฟังเพลงเศร้าๆสังเกตว่าหรือเปล่าเวลาเราเศร้าเนี่ยเราชอบฟังเพลงเลยมันไม่เคยไม่มีใครอยากจะฟังเพลงสนุกสนานเพลงป๊อปอะไรหรอกนะอยวฟังเพลงที่เศร้าๆนั่นแหละความเศร้าเนี่ยมันกำลังบงการจิตใจให้จมดิ่งอยู่ ในอารมณ์นั้นหรือว่าให้เสรความเศร้าให้หนักขึ้นนะปกป้องความเศร้านะให้หนักแน่นเวลาโกรธก็เหมือนกันนะเวลาโกรธเนี่ยเราจะหวงแหนความโกรธมากเลยใครจะมาแนะนาว่าให้อภัยก็ไปเถิดนะปล่อยวางไปเถิดนะเราจะไม่ไม่ยอม แล้วยิ่งใครมาแนะนำว่าให้อภัยก็เถอะนะแล้วยิ่งโกรธนะโกรธคนที่แนะนำมีเพียงคนหนึ่งมีความกุ้มใจเกี่ยวกับแม่แม่ก็อายุมากแล้วนะเจ็ดสิบกว่าจะแปดสิบแล้วแม่ก็เป็นคนที่ดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ว่ามีปัญหากับคนคนหนึ่ง คนคนนั้นเนี่ยอากตันยูเนรคุณแม่ช่วยเขาเต็มที่แต่เขาก็เนรคุณนะทอริโอถักหลังเวลานึกถึงคนนี้เนี่ยก็จะโกรธมากและยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งยิ่งพูดถึงคนนี้ บ, บ่อยๆพูดแล้วพูดอีกนะคนที่เป็นลูกเนี่ย ก, กลัวว่าแม่เนี่ย เวลาตายจะตายไม่ดีนะเพราะว่ามีจิตที่ยึดติดถือมั่นในความโกรธนะนะชาวพุทธเราก็เชื่อนะว่าถ้าตายเนี่ยแล้วจิตมันเป็น อ, อกุศลเนี่ยนะไอ้ก่อนตายก็ทุรนทุรายนะตายแล้วยังไปไม่ดีไปอบายก็พยายามบอกแม่ให้ให้อภัยนะให้อภัยก็ไปเถิดมันก็ผ่านไปยี่สิบสามสิบปีแล้วะ พอพู้อย่างนี้ทีไรพอลูกสาวพูอย่งนี้ทีไรแม่ก็จะโกรธลูกสาวนะแล้วก็ด่าว่าลูกสาวไม่พอใจลูกสาวเสมอบราวกับว่าพูดลูกสาวเนี่ยกาลังจะมาแย่งเอาของรักของห่วงของมีค่าไปจากแม่ไอ้ความโกรธนี่มันมันน่าห่วงแหนที่ไหนนะเออถ้าจะมา มาเอาสมบัตินะเอาเงินเอาทองเอาสร้อยไปนี้ยังมันก็ยังมีเหตุผลนะแต่การหวงแหนความโกรธเนี่ยหวงแหนความพยาบาทเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยนะของคนที่มีสติปัญญาแต่คนส่วนใหญ่ก็ทํากันนะหวงแหนความโกรธเอาไว้เพราะอะไรเพราะความโกรธเนี่ยมันก็มันกับสิ่งมีชีวิตนะมันก็พยายามที่จะรักษาตัวมันเองสิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็พยายามที่จะ รักษาชีวิตของมันให้คงอยู่ให้ใหได้รักษาดีไม่พอนะต้องแพทยพันด้วยอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะมันก็พยายามจะรักษาตัวมันเอาไว้แล้วมันก็บงการจิตใจเราให้คอยปกปักรักษามันและเพราะความไม่รู้ตัวนั่นแหละนะเราจึงกลายเป็นท่าของมันแต่เมื่อตามที่เรารู้สึกตัวนะ เราจะรู้เลยว่าโอไออารมณ์เหล่านี้มันไม่น่าเอาความรู้สึกตัวเนี่ยมันทำให้เราปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้ทันทนะีหรือพอเรามีสติรู้ทันว่าเนี่ยมันมีอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาในใจการปล่อยวางก็จะเป็นไปได้นะมันไม่ใช่ห้ามคิดนะเพียงแค่รู้มันก็ละ มันก็วางใจร ล, ลอยไปไหนพอมีเสียงโทรศัพท์ดังนะหรือมีเสียงหัวเราะดังในศาลานี้จิตมันจะกลับมามารับรู้ว่าหรือมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นแหละที่จะมีสติจิตมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ถ้าสังเกตไหมความคิดอะไรที่มันทำให้ใจเราลอยเราเราหลุดเลยนะหลุดจากความคิดนั้นหลุดจากอารมณ์นั้นมันหลุดเองเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันรับได้อารมณ์เดียวถ้าจิตมันจะมารับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็ต้องวางเรื่องอดีตอนาคตนะมันต้องวางความคิดและอารมณ์ต่างๆที่ลักคิดหรือว่าอารมณ์ที่ปรุงแต่งเพื่อที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบัน จิจะมารู้สึกตัวได้เนี่ยนะมันก็ต้องวางสิ่งอื่นและสิ่งที่ทําให้รู้สึกตัวได้ก็คือสตินะสติทําให้ระลึกได้ได้ไหวนะระลึกรู้กายระลึกรู้ใจหรือผู้ใหญ่ก็คือว่าไม่ลืมกายไม่ลืมใจไอตอนที่เราใจเราลอยเนี่ยนะ เราลืมกายนะยกมือไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่ายกนะและพอจมอยู่ในอารมณ์นะมันก็ลืมใจด้วยลืมใจไม่รู้ว่าใจตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าใจมันถูกครอบงานไปแล้วใจมันถูกครอบงานด้วยอารมณ์ก็เลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราจะ จำอะไรได้ไวได้เร็วก็ตามเนี่ยนะจำสับได้เร็วนะแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้คือว่าความเราเลืกรู้กายและใจให้เร็วด้วยเอากายเนี่ยเป็นฐานนะเพื่อให้ใจเนี่ยนะกลับมาเหมือนกับว่ามันมีหลักถ้าเราไม่สร้างจังหวะไม่เดินจงกรมมันก็เหมือนกับ ว, ว่าใจไม่มีหลัก มันก็จะล่องลอยได้ง่ายแล้วมันก็จะลืมตัวการเจริญสติเนี่ยมันก็มีหลัก ง, ง่ายๆนะว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นง่ายมากเลยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่นี่ใจก็อยู่เนี่ยทําอะไรใจก็รับรู้หรือใจก็รู้สึกเมื่อเราทําอะไรใจก็รับรู้หรือรู้สึกเนี่ยนะมันก็เกิดความรู้สึกตัว ในคำสอนเรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยหมวดกายเนี่ยจะมีตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวผู้เจ้าสอนว่าให้ทำความรู้สึกตัวในเวลาเดินไปข้างหน้าหรือว่าถอยกลับในเวลามองในเวลาเหลียว ให้ทำความรู้สึกตัวในเวลาคู่เข้าและเหยียดออกไม่ว่าจะเป็นขาหรือเท้านะคู่เข้าเหยียดออกก็ให้รู้สึกตัวนะตอนนี้เราส่วนใหญ่ก็เราคู่ขาเข้าก็รู้ว่ากำลังคู่ขาเข้าพระอาจารสอนว่าให้ทงความรู้สึกตัวนะเวลาคลองสังฆาติอุ้มบาศขมจีวร อ, อันนี้นั่นสอนพระแต่ว่า คารวาสเนี่ยเราก็ทําได้เวลาเราใส่เสื้อนะใส่กางเกงก็รู้สึกตัวปลัดกระดุมรูดซิฟรู้สึกตัวเวลาเรากินเดินเคี้ยวลิ้มรวมทั้งอุจจาระปัสสาวะก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวเวลาเดินยืนนั่งหลับนะพูดแล้วก็นิ่งก็รู้สึกตัว อันนี้เป็นคําสอนที่ง่ายๆนะเข้าใจง่ายนะแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยก็คือว่าเราก็ทำกับอีเรียบทนะซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันทาอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนนะอันที่พูดมาเราก็ทำหมดใครเดียกันล้วก็ทาเสริมหรือสร้างอีเรียบทเพิ่มนะเช่นการเดินจงกรมการสร้างจังหวะทำความรู้สึกตัว แต่ไม่ไมเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่ามันยากนะความรู้สึกตัวคืออะไรบางคนอยากทาความรู้สึกตัวก็ไปจ้องไปเพ่งที่มือที่เท้าอันนั้นมันจะรู้เฉพาะจุดนะถ้าเราไปเจ้งไปเพ่งที่มือเนี่ยมันก็รู้เฉพาะมือไปเพ่งที่เท้าเราก็รู้เฉพาะเท้ามันไม่ใช่ความรู้ตัวทั่วพร้อมความตัวทั่วพร้อมนี่คือมันรู้ทั้งตัวแต่ว่าส่วนที่เด่นชัดหน่อยก็คือส่วนที่เคลื่อนเช่นยกมือ สร้างจังหวะเดินยองกลมแต่ถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมจนคุณเนี่ยแม้เวลาเราก็พิบตาแม้เวลาเรากืนนอนไลนยเราก็รู้ก็เหมืนทําความรู้สึกตัวนะเวลาเราจะลุกขึ้นอ่าก็ให้ตั้งสติสักหน่อยก่อนที่จะลุกไม่ใช่คุณผ่านลุกตามความเคยชิน เวลายุงกัดเราจะปัดก็อย่าปัดไปด้วยอารมณ์หรือปฏิกิริยาแบบอัตโนมัตินะปัดก็ปัดด้วยความรู้สึกตัวนะอันนี้มันสิ่งที่เราทําได้ครานี้บอกไว้แล้วความรู้สึกตัวทั่พร้อมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกตัวเฉพาะจุดมันเหมือนกับเราดูรูปเนี่ยปกติคนเราดูรูปเนี่ยเรารเก็ไม่ไ ด, ด้ดูรูปเฉพาะมุม ซ้ายมุมขวาเราดูรวมๆเวลาเราดูดูโทรทัศน์เนี่ยเราก็ดูภาพรวมๆนะเราไม่ได้จ้องที่จุดใดจุดหนึ่งของจอนะสังเกตไหมเราดูรวมๆเวลาเรามองหน้าคนเวลาเราคุยกับคนเนี่ยเราก็ไม่ได้มองที่ตาไม่ได้มองที่จมูกหรือไม่ได้มองที่ปากเรามองรวมๆนะสังเกตไหม ไอความรู้สึกตัวเนี่ยทั่วพร้อมเนมันแบบนั้นแหละคือมันรู้สึกรวมๆนะเวลาเราคุยกับคนถ้าเราไปมองเฉพาะนะเฉพาะตาเขาหรือไปจ้องที่ปากเขาเนี่ยเขาคงสงสัยว่าเรากาลังทําอะไรอยู่แต่เราก็ไม่เคยทําอย่างนั้นนะเวลาเรามองหน้าคนขณะที่คุยแล้วก็มองรวมๆนะดูหน้าตัมมาก็คงจะไม่ได้ดูเฉพาะจุดนะก็ดูรวมๆ เวลาราดูภาพไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แล้วก็ดูรวมๆอันนี้มันเป็นธรรมชาติของคนเราอยู่แล้วกาความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อใจเรายอยู่กับเนื้อกับตัวอการไปจ้องไปเพ่งต่างหาที่มันไม่ใช่ธรรมชาตนะิเช่นไปจ้องที่มือไปเพ่งที่เท้าเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติเวลาเราฟังใครพูดเนี่ยนะเราก็จะฟังรวมๆ เราจะไม่ได้จอะเพ่งเป็นคำคำเวลาฟังคนพูดนะถ้าเราไปเพ่งเขาเป็นคำคำนะฟังไม่รู้เรื่องนะแต่เราฟังแบบสบายๆนะเวลาเราฟังสบายๆเราฟังรวมๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเขาพูดอะไรเพราะเราจะฟังเข้าใจทั้งประโยคแต่ถ้าเมื่อดก็ตามที่เราพยายามไปจ้องไปเพ่งเป็นคำคำนี่นะเราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะ เพราะนั่นไม่ใช่วิธีที่เป็นธรรมชาติของการฟังนะการฟังรวมๆก็ดีการมองหน้าคนรวมๆก็ดีนะมันเป็นธรรมชาติคนเราในการรับรู้อันนี้ก็เปลียบได้กับการทำความรู้สึกตัวนะมันก็เป็นธรรมชาติของเราขอเพียงแต่ให้ใจเราลกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวไม่ต้องเพง่งไม่ต้องบังคับนะแต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าไอ้นี่รู้สึกตัวหรือเปล่าจริงมันเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วในภาวะที่เป็นปกติธรรมดาธรรมชาติแต่มันอาจจะไม่ต่อเนื่องเพราะว่ารู้สึกตัวแปบบ๊แบๆบเดี๋ยวก็ไปแล้วนเะข้าไปในความคิดหลายแปรดีลอยแปรอนาคตแต่เดี๋ยวกลับมารู้ตัวรู้ตัวปับ๊บปั บ, ปบกลับไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเจริญสติถูวิธีเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะมันจะมันจะ มันจะถีขึ้นถีขึ้นถีขึ้นมันเป็นขนาดขนาดะความรู้สึกตัวเป็นขนาดขนาดมันก็เป็นจุดจุดนะถ้าจุดจุดเนี่ยหลายจุดมาต่อกันนะมันก็จะเป็นเส้นยาวหรือเปรียบอย่างหนึ่งนะหลวงพ่อเขียนเปรียบมันก็ว่าเป็นเป็นโซ่นะเป็นโซ่ต่อทีละข้อทีละข้อทีละข้อในความรู้สึกตัวของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อที่สั้นๆเป็นโซ่สองสามข้อแล้วก็ขาดสี่ห้าสี่ห้าข้อแล้วก็ขาด แต่ถ้าเราต่อโซ่เนี่ยมันเป็นหลายข้อนะเป็นสิบข้อยี่สิบข้อเชื่อมกันเนี่ยนะตรงนั่นแหละที่เราจะเริ่มรู้สึกรู้จักความรู้สึกตัวได้ดีขึ้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเพราะเราเห็นเพราะเราสัมผัสมันได้อย่างต่อเนื่องและพอเรารู้ความรู้สึกตัวเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันเป็นยังไงทุกวันนี้เราอยู่กับความหลงนะจนเราไม่รู้ว่านั่นคือหลงนะเหมือนกับปลาไม่เห็นน้ํา นกไม่เห็นฟ้านอนไม่เห็นอาจมเราอยู่ความหลงจนไม่รู้ว่านั่นแหละคือความหลงเหมือนกับปลาอยู่ในน้ำมันไม่รู้มันไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ในน้ําต่อเมื่อเราเริ่มเห็นรู้เริ่มรู้จักได้สัมผัสความเห็นความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะเห็นความแตกต่างว่าพอหลงเนี่ยนะมันเบลอมันเหมือนกับคนละเมอแต่พอรู้สึกตัวมาแหละมันใสมันมันมันใสมันโล่ง ถ้าหลงมาเลยเนี่ยมันเบอร์เบอร์มันหนักหนักแต่พอรู้สึกตัวแล้วมันมันโปร่งมันเบาแล้วพอเราเห็นความแตกต่างนะว่าหลงเป็นอย่างงี้รู้สึกตัวเป็นอย่างงี้นะพอเราหลงเนี่ยเราก็จะเริ่มเริ่มรู้ตัวเร็วนะเหมือนกับเข็มมันกระดิกเร็วขึ้นแต่ก่อนหลงหลงเนี่ยเข็มไม่กระดิกเลยนะแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยนะมันเริ่มกระดิกแล้วว่ากระดิกไหมเพราะว่าสัญญาณมันบอกว่านี่กําลังหลงนะ ก็มันมีการเปรียบเทียบ ว, ว่าจิตมันออกจากเพราะที่ปกติไปคนเราทําไม่รู้จักว่าคําว่าปกตินะมันก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ปกติแต่พอเรารู้จักความปกติแล้วเนี่ยพอจิตมันไม่ปกติเราก็จะรู้นะแล้วทีนี้มันก็จะไวขึ้นไวขึ้นจะรู้ตัวไวขึ้นหลงไปปุ๊บ ก, กลับมาหลงไปปุ๊บ ก, กลับมาครับ อย่างที่หลวงพ่อบอกความเก่งนะการเราจะเก่งเนี่ย เ, เก่งดูที่ว่าเรากลับตัวมาไหวหรือเปล่าไม่ใช่เพราะไม่คิดไม่ใช่เพราะว่าจิตมันนิ่งนะนิ่งแล้วทำไมรู้ตัวเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่ม ไ, มไม่ใช่นะเอาคำนี้พูดกับท่านนี้นะเอากลับพระ